1.11 จุหนึ่งหนึ่งการตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่วงเล็บเปิดเจ็ดมกราคมสองพนห้าอห้าสิบในวงเล็บสองจุดจุดนาทีสามสิบสองวงเล็บปิดพาพ่อแม่เข้าวัดดีที่สุดเลยนะพระพุทธเจ้าสอนเอาไว้นะว่าพ่อแม่มีบุญคุณมากที่สุดเลยเพราะพ่อแม่ให้ตาหูจมูกลิ้นกายมากับเราให้โลกให้เราสัมผัสกับโลกได้เหมือนพ่อแม่ให้โลกกับเราฉะนั้นบุญคุณของพ่อแม่นี้มากมาย